สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิยาพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในบทเรียนจากสุภาษิตครั้งที่แปดสิบเรื่องการดีและการชั่วพระธรรมสุภาษิตในวันนี้อยู่ในบทที่สิบสี่ข้อที่ยี่สิบถึงข้อที่ยี่สิบห้าครับสุภาษิตบทที่สิบสี่ข้อยี่สิบถึงข้อยี่สิบห้าโปรดฟังพระชนะของพระเจ้า คนยากจนนั้นแม้เพื่อนบ้านของตนก็รังเกียจแต่คนมั่งคั่งมีสหายมากมายบุคคลที่ดูหมิ่นเพื่อนบ้านของตนก็เป็นคนบาปแต่บุคคลที่เอ็นดูคนยากจนก็อยู่เป็นสุขคนที่คิดการชั่วนั้นไม่ผิดหรือบรรดาผู้ที่คิดการดีก็พบความจงรักภักดีและความสัตย์ซื่อ มีกาไรอยู่ในงานทุกอย่างการเพียงแต่พูดนั้นโน้มไปทางความขาดแคนมงกุฎของปราชคือปัญญาแต่ความโง่เป็นพวงมาลัยของคนโง่พยานซื่อตรงช่วยชีวิตให้รอดแต่ผู้ที่เปล่งคำมุษาเป็นคนขายคน พี่น้องครับในชีวิตของเรานั้นมักจะพบกับการดีและการชั่วในโระจานาของพระเจ้าตอนนี้ข้อที่ยี่สิบจนถึงข้อที่ยี่สิบเอ็ดนั้นก็พูดถึงเรื่องของการดูถูกคนยากจนการที่เราดูถูกหรือดูหมิน่นเพื่อนบ้านที่เป็นคนยากจนก็ถือว่าเป็นบาปนะครับ เพราะโดยปกติแล้วคนยากจนนั้นไม่ค่อยมีใครอยากจะคบคนยากจนนั้นเป็นที่รังเกียจของคนอื่นในขณะที่คนร่ารวยก็จะมีเพื่อนเยอะการที่เราเป็นคนร่ารวยก็มีเพื่อนเยอะเพื่อนนั้นอาจจะเป็นเพื่อนกินเพื่อนที่ชั่วคราวที่เขาอยากจะมาสแสวงหาผลประโยชน์จากความมั่งคั่งมั่งมีของเราในขณะที่คนยากจนนั้น เขานอกจากจะขาดเงินเขายากจนเขายังต้องทนทุกข์เพราะว่าสังคมรังเกียจครับสังคมนั้นมักจะดูถูกคนยากจนปฏิเสธที่จะคบค้าสมาคมกับคนยากจนพี่น้องครับพอเจะนะพระเจ้าได้เตือนเราบอกว่าใครก็ตามที่ดูหมิน่นคนยากจนดูหมิ่นเพื่อนบ้านของตนก็เป็นคนบาปการดูหมิ่นนั้น ก็คือการกีดกันการดูหมิ่นนั้นก็คือการแบ่งแยกการดูหมิ่นนั้นก็เท่ากับดูถูกดูถูกพระเจ้าผู้ทรงสร้างเขาผู้ทรงเป็นเจ้าของชีวิตของเขานี้คือการ discriminate ก็คือการแบ่งแยกชนชั้นแบ่งแยกสีผิวแบ่งแยกอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างผู้คนหมูค่คน หรือแม้กระทั่งในระดับของประเทศชาติบางประเทศชาตินั้นเขาดูหมิน่นดูหมิ่นคนที่มีสีผิวไม่เหมือนกับเขาดูหมิ่นกลุ่มน้อยชนกลุ่มน้อยต่างๆที่อาศัยอยู่ในบ้านเมืองของเขาดูหมิ่นคนอพยพนี่คือสิ่งที่ไม่ถูกต้องครับพีน่นกครบเราจะต้องมีความเอ็นดูเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่โอพอ้อมอารีคนที่ ไร้โอกาสคนด้อยโอกาสคนที่แตกต่างจากเราโดยเฉพาะยิ่งคนยากจนเพราะฉะนั้นการทำสังคมสงเคราะห์การช่วยเหลือคนยากจนยากไร้จึงเป็นพันธกิจสำคัญของกิจจจักรเรื่อยมาข้อต่อไปครับข้อยี่บสามครับมีกำไร อยู่ในงานทุกอย่าง <c oughs> มีกําไรอยู่ในงานทุกอย่างพียนังาโ พ, พจะนะพระเจ้าตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นเครื่องนำทางนำใจของผมนำชีวิตของผมเรื่อยมาเมื่อเวลามีงานเข้ามาอย่าไปใช้คำว่างานเข้าแล้วเพราะว่างานเข้าแล้วมีความรู้สึกว่างานนั้นติดลบครับหรือเรามีทัศนคติที่ไม่ดี ทางลบกับงานต่างๆที่เข้ามาแต่ข้อยี่สิบสามนั้นบอกกับเราว่ามีกำไรอยู่ในงานทุกอย่างไม่ว่าจะงานหนักงานเบางานที่เราชอบหรืองานที่เราไม่ชอบมันมีความเหนื่อยครับมันมีความยากลำบากในการทำงานแต่ถ้าเรามีทัศนกติมีท่าทีที่ดีต่องานเราจะเห็นกำไร และเรามีความภาคเพียงพยายามในการทำงานเราก็จะได้กําไรจากงานนั้นพี่น้องครับคนที่คิดการชั่วเขาก็จะได้ชั่วคนที่คิดการดีเขาจะได้รับความจงรักภักดีและความเคารพยำเกรงในเวลาวกันเขาก็ได้รับความซื่อสัตย์นะครับตอบแทน พี่น้องครับการที่เราสักซื่อในการทำงานแน่นอนเราจะมีกำไรอยู่ในงานทุกชนิดทุกอย่างที่เราไปทำเพราะฉะนั้นท่าทีทัศนคติที่มีต่อ ง, งานในพระคัมภีร์ข้อนี้เปลี่ยนชีวิตของผมและผมเชื่อว่าจะเปลี่ยนชีวิตของพี่น้องด้วยมีกำไรอยู่ในงานทุกอย่างขอให้เราจวาวลีนี้ให้ดีนะครับประโยคนี้ดีมีกาไร อยู่ในงานทุกอย่างเพิ่มพีพูดต่อว่าการเพียงแต่พูดนั้นโน้มน้าวไปทางความขาดแคลนการที่ใช้ปากพูดแต่มือไม่ทำครับนะใช้ปากพูดมือไม่ทาไม่ได้มีความขยันขันแข็งไม่ได้มีความสัดซื่อในการทางานก็จะไม่ได้รับกำไรนั้นการเพียงแต่พูดไม่ได้ทำให้คนร่ารวยครับการไม่ขย็ไม่ยอมขยับมือ มือไม่พายเอาแต่ขยับปากก็ไม่สามารถทำให้ตัวเองนั้นได้รับการยอมรับรับถือจากเพื่อนร่วมงานจากคนทั่วไปและเมื่อไม่มีเครดิตความเชื่อถือในตัวเขาก็เริ่มลดลงครับในที่สุดก็จะนำไปสู่ความยากจนขาดแคลนได้นี่คือความจริงที่ปรากฏอยู่ในพระธรรมชุภาสิทธ์ข้อนี้พี่น้องครับมีกำไรในงานทุกอย่างข้อยี่สิบสี่ยี่บห้าครับ มงกุฎของปราดคือปัญญาแต่ความโง่เป็นพวงมาลัยของคนโง่มงกุฎนั้นมีความหมายว่าสง่าราศีครับเป็นรางวัของคนชอบธรรมเป็นรางวัลของคนที่มีสติปัญญาเป็นรางวัลของนักปราดเป็นรางวัลของผู้รักการเรียนรู้เขาจะได้รับปัญญาและได้รับรางวัลก็คือเกียรติยศสง่ราศีที่มาถึงคนคนนั้นเอง ในขณะที่คนโง่เขาจะได้รบบางวัลก็คือความโง่ความโง่จึงเป็นพวงมาลัยของคนโง่ข้อสุดท้ายครับพูดถึงเรื่องของพยานที่ดีและพยานเพ็รพยานที่สัตซ์ซื้อพยานที่ซื่อตรงจะช่วยชีวิตของคนให้รอดแต่สำหรับพยานเพชรนั้นเป็นคนทรยศเป็นคนขายคนอื่นครับ การพูดความจริงเมื่อเป็นพยานในศาลนั้นสำคัญมากสามารถช่วยชีวิตคนให้รอดจากการถูกประหารจากการถูกลงโทษได้ในขณะที่พยานเท็จนั้นเขาจงใจหลอกลวงหรือได้รับอามิตรินจ้างและคำพยานของเขาอาจจะส่งผลต่อคำพิพากษาของศาลซึ่งจะทำให้คนบริสุ์นั้นติดคุกหรือตายได้แล้วก็ คนกระทำผิดก็ลอยนวลพี่น้องครับคนที่จะเป็นพยานิสา น, นั้นสำคัญมากครับเขาอาจจะมีอิทธิพลส่งผลต่อชีวิตและความเป็นความตายของคนอื่นได้นี่คือการดีและการชั่วกรรมดีและกรรมชั่วคนฉลาดและคนโง่คนมีสติปัญญาและคนเขาพี่น้องครับชีวิตเลือกได้แต่พระเจ้า ได้ทรงให้เราเห็นทางสองทางให้เราเลือกในสิ่งที่เป็นนับไทยของพระเจ้าและเป็นทางของพระเจ้าครับอาเมน